ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายใต้ร่มพระโพธิาณภาคพิเศษได้นำเสนอประบติของพระพุทธเจ้าในส่วนที่เชื่อมโยงกับประสูติสัสรูและเสด็จดับขันบปริพานก็มาพูดถึงช่วงที่เชื่อมโยงกับความเกิดโดยการประสูติ เราเห็นว่าถ้าเราพูดด้วยภาษาธรรมดาๆรรเนี่ยปุจจ้าก็คือคนที่เกิดมาดีแล้วก็อยู่ดีแล้วก็จากไปดีก็เรียกว่าได้สามดีแต่ว่าการจากไปนั้นที่จริงเป็นกระบวนการที่สืบเนื่องมาตั้งแต่เหตุที่ให้ประสูติมาดี แล้วก็สร้างอุปนิสัยปัจจัยที่ทำให้ทงครองพระองค์อยู่ดีจนเกิดมีการสังเกตติดตามตรวจสอบเทียบเคียงสิ่งสัมผัสต่างๆแล้วก็นำมาพิจารณาแยกๆเทียบเคียงเนี่ยประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือการเทียบเคียงเพราะาชีวิตของคนเรานั้นมักจะเจอทางสองแพร่งเสมอ ปัญหาว่าจะเลือกไปทางไหนเจาชายทิตตะเองก็มีลักษณะอย่างนั้นพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็กลายเป็นเรื่องทางที่ต้องเลือกแต่ก่อนที่ถึงทางเลือกนั้นป็นสังเกตว่าปรุงก็ประสบไอพันธนาการต่างๆนีเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งจะต้องอาศัยจิตานุภาพที่เข้มแข็ง เ, เด็ดเดี่ยวมากเป็นพิเศษ หลังจากาจบศิลปศาสตร์ในสำนักครูวิศวามิดแล้วพระเจ้าสุโธธนะก็จัดการพิธีสยุมพรให้กับพระนางยโสธราแต่กรอย่าถึงจุดนั้นก็มีการประลองวอิจาความรู้ที่ศึกษาสำเ็จมากับพระราชกุ ม, มารซึ่งก็อยู่ในเครือญาติอีกสามพระองค์ ก็จบลงด้วยเจ้าชายทิตาชนะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการควันดาบขี่ม้าหรือยิงธนูกะดามแล้วในสุดก็ได้สยุมพรกับเจ้าหญิงยะโสธราก็อยู่ครองคู่กันมาถึงสิบกว่าปีนะแล้วในปีที่ทรงเจริญประชนมัพรรษาครบ2ี่สิบเก้านั่นเองนางยะโสธรา ก็ประสูตรพราชอรถถอรสถีรคุณคำว่าเราคุณเนี่ยมันที่จริงมันเกิดมาจากการอุทานของเจ้าชาจิตตะตะคือตอนนั้นกำลังคุ้นคิดถึงปัญหาโลกปัญหาชีวิตอย่างจริงาจางมากแล้วก็ไม่ใส่พระไทยในเกียก่ยวไก้สิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งมีการปรุงแต่งจัดสรรมากยิ่งขึ้ น, นมักจะหลบไปอยู่ที่ อุทยานซึ่งพระเจ้าสุธโธธนะทรงสร้างถวายพร้อมด้วยปราสาทส้ำหลังและจะอยู่ในป่าส่วนใหญ่คนก็ไปแจ้งข่าวการประสูตรพระเจ้อรสก็เป็นเหตุอีกหนึ่งที่ทำให้พระองค์ตัดสินเมไทยได้เด็ดขาดพอทราบข่าวท่านั้นก็รับสั่งวราหุลังชาตังบันทนังชาตังเครื่องผูกได้เกิดขึ้นแล้ว บ่วงได้เกิดขึ้นแล้วเพราะว่าชีวิตของผู้ครองเรือเนี่ยลองสังเกตว่าอย่างที่โลกกนิษเขาว่าไวมีบุตรบ่วงหนึ่งเกี่ยวพันคอสับปลูกบาทาครอหน่วงไว้พัญญายเยี่ยงบ่วงปอรึงรัดมือนาสามบ่วงใครพ้นได้จึงพ้นสงสารเราก็สู้กันมาอย่างเงี้ยตลอดและส่วนใหญ่ก็ไปไม่คยรอดคือจะติดบ่วงใดบ่วงหนึ่งอยู่ แล้วบ่วงลูกเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงเพราะว่าการที่คนจะตัดใจชิ้งลูกได้เนี่ยมันจะต้องมองเห็นผลประโยชน์จิ้งใหญ่รออยู่ข้างหน้าชัดเจนและผลเหล่านั้นจะย้อนกลับมาสู่ลูกซึ่งจะได้สิ่งที่ดีกว่าพระองค์จะครองราชเป็นกษัตริย์หรือแม้แต่เป็นพระเจ้าจาั ก, กรพรรดิ พอสมบัติพระเจ้าจากักรพรรดนั้นไม่ต้องไปเทียบกับรหัสตะคุณหนอเทียบกับประสวดาบันอย่างเทียบไม่ได้การบรรลุมรรคผลเป็นประโสวดาบันนั้นนิคติแน่นอนคือปิดประตูนรกได้แต่พระเจ้าจากักรพรรดิเนี่ยบางทีจากพระเจ้าจากักรพรรดิก็ตกนรกเลยเพราะว่าในขณะที่ทรงดารงตําแหน่งนี่ยมันต้องทําบาปทํากรรมเปน็นนันมากขยายราชนาเขตต่างๆ กว่าจะเป็นได้นะก็มีเลือดเนื้อชีวิตของบุคคลล้มตายรองรับความเป็นใหญ่ของท่านมากมายเหลือเกินแล้วในมุมมองตรงนี้มันขึ้นอยู่กับภูมิธรรมสติปัญญาของคนแต่ลักษณะพื้นฐานของคนระดับประปุธิสัตว์เนี่ยเราไม่ต้องมาดูชาตินี้นะเพราะชาตินี้บารมีเต็มเราดูในชาติที่เป็นประเตมีโพธิสัตว์ก็ได้ รเราเห็นว่าไม่พอไม่พอพระไทยที่จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินแต่พอพระไทยที่จะเป็นนักบวชเพราะว่าทรงเห็นว่าการเป็นพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยโอกาสที่จะต้องทำบาปเพราะการความผิดของบุคคลอื่นเนี่ยมันมีแน่นอนโดยเฉพาะยุคสมัยนะฮะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ปกครอง้วยระบบประชาธิปไตยแล้วจะต้องลงมือด้วยพรองเองคือสั่งบัญชาการด้วยพรองเอง มันต้องไปเกี่ยวข้องกับบาปครุ่นขีด บ, บาปจะอย่าลืมว่าสัตว์โลกแล้วจะอยู่ด้วยกระแสของโลกหลงปรารถนาความเป็นใหญ่ปรารถนาลาบปรารถนายศปรารถนาสรรเสริญปรารถนาความสุขแล้วก็ถือว่าความสุขนี้มันไปเชื่อมโยงกับลาบยศสรนเริญแสดงว่าเป็นเยื่อของโลกไปติดเยื่อของโลก แต่คนส่วนใหญ่มันก็เป็นอย่างงั้นผล ก, การตัดสินพระไทยเสด็จออกผนวดเนี่ยมันจึงเลือกระหว่างการเป็นพระพุทธเจ้ากับการเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิประเด็นสําคัญเรื่องทางเลือกเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นแบบเป็นแบบในการเลือกเวลาเนี้ยแม้แต่เศรษฐกิจก็ดีสังคมก็ดีการเมืองก็ดีในอง์รวมของความเป็นชาติบ้านเมืองเนี่ย มันไปถูกกระแสต่างประเทศบีบคั้นมากเกินไปจนไม่ได้ใช้ความคิดเป็นของส่วนตัวประชาธิปไตยเองก็ถือเรานิยามได้หรือเปล่าวันประชาธิปไตยคืออะไรลองเอานักประชาธิปไตยมานิยามมาเขียนนะะอย่าลอกกันมาเขียนอธิบายกําหนดไว้หนึ่งหน้ากระดาษเอาให้เขียนอธิบายลักษณะประชาธิปไตยมาไม่ตรงกันหรอกโลกในโลกนี้มันก็ไม่มีใครตรงกัน เอาขนาดพี่เอื้อใหญ่ๆเนี่ยพวก g ีแปดีเจ็ดเนี่ยเห็นไหมะประชาธิปไตยตรงกันที่ไหนรูปแบบโครงสร้างวิธีการไม่เหมือนกันเนี่ยมันเกิดมาจากพื้นฐานทางขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมจรียแบบแผนการสืบต่อกันมาของสังคมแห่งยุคสมัยนั้นๆมันจะตัดขาดโดยไม่เหลื อ, อร่องรอยของอดีตไว้เลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมนุษย์จะอยู่ไม่ได้ จะกลายเป็นความแตกแยกวันปัญหาสำคัญเนี่ยคือการมองสิ่งทั้งหลายเมื่อถึงคราวต้องเลือกเนี่ยเลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุดประโยชน์มากด้วยกันเนี่ยประโยชน์อะไรได้ระยะยาวที่สุดยาวด้วยกันเนี่ยอะไรกว้างที่สุดทีนี้ระหว่างยาวด้วยกันกว้างเข้ากันอะไรอะไรนานที่สุดโดยเจนว่า การเป็นไม่เจ้า จ, ะจะกักรพัรดไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเลวร้ายอะไรนักหนาะสามารถทําประโยชน์แก่นาประชารัศฎรในปกครองของพระองค์ได้มากแต่ว่าพอที่บ่งคดไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่เหลืออยู่เหลือก็จะเป็นรูปวัตถุทั้งหลายปีละหนึ่งก็ต้องแตกทํำลายไปแต่ว่าสัจธรรมที่คนระดับพระอาจารย์ทศมาสมบูติเจ้าได้ เพื่อเผยชี่แจงแสดงแก่โลกเนี่ยตะโลกจะงมองเห็นคุณค่าใช้ประโยชน์ได้ตลอดยิ่งความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าเราจะมองแนวอะไรแนวโยนิสุปนสิกานคือการใช้ปัญญาพินิจพิจารณโดยอุบายวิธีที่แยกคายมีเหตุมีผลเป็นกระบวนการทางความคิดที่ไม่เกาะติดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ว่ามีความคิดในลักษณะที่รอบคอบรอบด้านเขาก็กลายเป็นหลักการสําคัญมากยิ่งขึ้นแทนที่จะกลายเป็นเรื่องไม่จําเป็นก็กลายเป็นว่าเราจะต้องมีโยนิโสมนสิการมากยิ่งขึ้นหรือว่านิสมาการิโนโ่คือการใคร่ครวญพิจารณาเสียก่อนแล้วจึงพูดจึงทําจึงแต่สินใจเนี่ยมันก็มีมากยิ่งขึ้น การวิจัยธรรมะก็มากยิ่งขึ้นการใช้ปัญญาปินิพพิจารณาสิ่งทั้งหลายจนเข้าถึงถึงความเป็นจริงในสิ่งเหล่านั้นก็มีความจําเป็นมากยิ่งขึ้นเพราะงั้นไอลักษณะเหล่าเนี้ยปรากฏว่าหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนานั้นมันมีความยิ่งเหมาะสมกับยุค ก, กับสมัยมากยิ่งขึ้นเพราะความเป็นอากาลโกของธรรมะ แต่นังการเป็นปรานธศมาสาสมุทธเจ้าที่จริงพระเจ้าจากาักรพรรดิก็ถือว่าเป็นเอกบุคคลระดับหนึ่งนะฮะในรานในด้านอนาณาจักรเนี่ยแต่เทียบแล้วก็สู้การเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้หลังการเลือกตัดสินพระทัยเสด็จออกพนวดซึ่งมันยังไม่ได้ชัดเจนในหลักการวิธีการที่จะได้มาซึ่งประสะพั์ยุตยานะมีความเชื่อมั่นสูง เพราะเป็นลักษณะนิสัยของพระองค์ในพระชาติที่เป็นประวัติศัตว์ต่างๆเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนว่าพวกบารมีธรรมเนี่ยมันจะแสดงออกมาวันก่อนที่ไปอบรมก็เรียกว่าสามัญศึกษาผู้ช่วยสามัญศึกษาจังหวัดพอมาพูดไปได้ชั่วโมงครึ่งเนี่ยเขาขอเบรกมีส่งโน้ตขึ้นมาบอกว่าเบรกแล้วก็บอกว่า คนนี้ก็คุณเป็นชาวบ้านนะเป็นข้าราชการเนะ่ยขอเบรกก็จะเบรกให้แต่ถ้าเป็นพระเนี่ยไม่เบรกให้หรอกเพื่อต้องการฝึกพระเราให้แข็งแกร่งในขณะที่นั่งฟังเนี่ยมันใช้บา ร, รมีเลยใช้สัจจะบา ร, รมีใช้ติษฐานบา ร, รมีใช้ขันติบา ร, รมีใช้วิริยะบา ร, รมีใช้ปัญญาบา ร, รมีใช้สัจจะบา ร, รมีใช้เกือบหมดเลยนะเป็นการฝึกปรือทดสอบกัน หมายความมาแทนที่จะฟังเฉยๆคือการปฏิบัติธรรมด้วยฟังก็คือปฏิบัติธรรมนะ่ะแต่ว่าเพิ่มปริมาณของธรรมะขึ้นไปเพื่อได้สัมผัสผลเพราะ ศ, ศาสดาของเรานั้นไม่หวั่นไหวต่ออะไรทั้งหมดลูกศิษย์มันอ่อนแอไม่ได้ลุกศรริธิ์จะต้องมีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวแล้วก็จเจริญในบา ร, รมีธรรมแล้วจะทําอะไรได้มากกว่าคนอื่น เราจะกินน้อยกว่าคนอื่นแต่เราทํางานให้มากกว่าคนอื่นก็ไม่ใช่มากทั่วทั่วโลกนะฮะแต่ว่าหมายความว่าในแวดวงใกล้เคียงกันเนี่ยเราจะต้องยามทําให้มากมากเต็มตามกาลังของเราแล้วก็มากกว่าคนอื่นจํานวนหนึ่งนะฮะแต่จะมากทุกว่าทุกคนไม่ได้เราไม่จะทําเพื่อแข่งดีแต่ว่าสํานวนการทําความดีเนี่ย ปุถเจ้าทรงแสดงไว้ว่าเมื่อกุศลและเจตนาที่จะทำความดีบังเกิดขึ้นต้องรีบเร่งกระทำบาลีท่านชาใช้คำว่าอาหางปุเรหังปุเรชนกอดฉันกอดคือจะทำความดีเนี่ยฉันเอาก่อนรีบทำก่อนเลยก็ตางคนดัางทำนะฮะแต่ว่าจะรีบเร่งกระทำาจน ว, วิธีการเลือกของพระองค์ก็จึงกลายเป็นหลักอย่างหนึ่งอย่างเวลาเนี้ยแ่เรามีปัญหาเศรษฐกิจสังคม ตลอดถึงการเมืองแต่และเรื่องแต่อย่างไปเรื่องเลือกเพราะนั้นประเด็นเศรษฐกิจซึ่งใกล้ตัวที่สุดเราจะเห็นว่าที่จริงเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกอะไรได้พอสมควรเช่นว่าไรายได้ไม่พอจ่ายเนี่ยว่าที่จริงมันก็มีอยู่สองอย่างหมายความว่ามีไม่พอกับคำว่าพอไม่มี ในกรณีที่มีไม่พอจริงๆมันก็ต้องเพิ่มความมันขยันเพิ่มรายได้พิเศษขึ้นแล้วในขณะเดียวกันก็ดูไอ้รอยรั่วต่างๆการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นต่างๆก็อุดรอยรั่วตรงนั้นเสียมันก็จะทำให้ประหยัดไายได้ส่วนหนึ่งรายได้ก็เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่ง การครองชีพในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งหรือที่โบราณแต่เรียกว่าพออยู่พอกินมีอยู่มีกินมีอยู่มีใช้ให้ได้เสียก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกขั้นหนึ่งคือแก้ปัญหาระดับพื้นฐานนะได้เสียก่อนสามารถครองชีวิตด้วยเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำให้ได้อย่างที่พระเจ้าสอนพระสงฆ์เนี่ยเราจะเห็นว่าพระสงฆ์เนี่ยอาหารก็ ทางชีวิตไ ด, ได้เสื้อผ้าก็ปกปิดร่างกายให้ได้ที่อยู่อาศัยก็สามารถป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้ยาก็บำบัดโรคได้ก็ไม่ไปติดใจในรายละเอียดมากเกินไปหมายความว่าเกณฑ์มาถามมาตรฐานการครองชีวิตขั้นต่ำเนี่ยเราอยู่ให้ได้เสียก่อนแล้วไปพัฒนากันไปทีหลัง สังคมเองเนี่ยเราคงเกลในสังคมไปให้ความต้องกัรแก่เราไม่ได้แต่ว่าทำอย่างไงเราให้ความต้องกัรแก่สังคมให้การยอมรับให้การนับถือสิทธิในชีวิตสิทธิในทรัพย์สินสิทธิในคู่ครองสิทธิในการรับขังข้อมูลข่าวสารนี่ขอสี่สิทธิแต่นั้นเองทำให้ได้เป็นพุทธบูชาอย่างอย่างยิ่งนะฮะเพราะการละเมิดสิทธิทั้งสประการเนี่ยเขาเรียกว่า เป็นกรรมกิเลสคือเป็นการกระทำด้วยแรงผลักดันของกิเลสแสดงว่าผู้ทำก็ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกเกลหรือเป็นทาสของกิเลสกิเลสกระสิ์ใจสั่งการอย่างนั้นอย่างนั้นทำอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะันถ้าเราให้ความเคารพในสิทธิต่างๆดังกล่าวได้เราก็สร้างสังคมสันติระดับหนึ่งะระดับศีลธรรม ระดับศีลที่เคยพูดว่าระดับของสวัสดิภาพแม้ว่ามาคนอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขไม่เบียดเบียนไม่ล่วงเกิดมันเปรุศรากกันแต่ว่าสังคมเรามีความอ่อนแอมีความอัตคัดมีปัญหาทำยังไงว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกับสังคมได้ ก็โดยกายก็ได้โดยความรู้ก็ได้โดยความคิดก็ได้โดยเงินทองก็ได้ก็เรียกว่าควช่วยเหลือควรขวายในกิจการงานที่ชอบทำยังไงก็ทําซึ่งเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอัตจริยาคือประพฤติกระทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อกฎเก่ฑ์นี่ก็แสดงให้เห็นว่าพื้นฐานพื้นฐานในการเลือกประพฤติปฏิบัติ มันมีทางให้เลือกอยู่ตลอดโดยเฉพาะชีวิตของคนเนี่ยโดยสรุปเนี่ยเราจะเห็นว่าทางมันมีสองทางทางกุศลกับอกุศลคือโง่กับฉลาดมันเริ่มมาจากความโง่กับความฉลาดแล้วก็เดินไปก็เป็นกุศลกับอกุศลก็ทําให้พูดเดินเนี่ยถ้าเดินไปทางอากุศลก็คือโง่โง่ก็คือทุกขกระโตเดินไปชั่วเดินอย่างเดินอย่างคนชั่วหรือไปอย่างคนชั่วทีนี้ ถ้าเดินไปทางกุศลไปว่าฉลาดฉลาดก็คือสุกโตคือเดินไปดีแล้วก็จุดหมายมันก็อยู่ที่สุขติคือสถานที่พบภูมิชาติที่เป็นสุขอีกด้านหนึ่งก็กลายเป็นทุกติคือสถานที่ที่มีแต่ความทุกข์พระพุทธเจ้าก็ส่งแสดงเอาไว้แล้วก็ส่งเลือกให้ดูด้วยตัวเองเราจะเห็นว่าทางเลือกแต่ละจุดแต่ละตอนของชีวิต มันมีสติปัญญามันมีความแหลมคมมีความลึกซึ้งอยู่ในการเลือกเหล่านั้นที่อย่าหนึ่งก็คือการมองที่เราเรียกว่าวิสัยทัศน์โล ก, กทับน์ชีวทัศน์อะไรก็ตามนฮะทัศนคติเจตคติอะไรก็ตามมองจากข้างในหรือข้างนอกก็ได้มันขึ้นอยู่กับเราคิดยังไงมันก่อนไปอ่านหนังสือนักวิชาการที่ดังนะ เราเอยว่าท่านคิดยังไงท่านท่านเห็นว่าความรู้กับความคิดนี่มันต่างกันเราเห็นว่าที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันเรารู้ยังไงเราก็คิดอย่างนั้นเราคิดอย่างไงเราก็รู้อย่างนั้นนะเราคิดตามที่เรารู้เรารู้ตามที่เราคิดได้สิ่งที่เราคิดไม่ได้เราจะรู้ได้ไงมันเป็นกระบวนการทางจิตเพราะั้นบางทีมันสื่อสารแล้วก็มีปัญหาว่า เอ๋ไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าทำไมไปคิดอย่างนั้นไปหมายความมาอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงถ้ากลุ่มถามวาพวกนี้เป็นเรื่องอะไรธรรมดีนะฮะความรู้ดีกับความคิดดีเนะี่ยก็คือสัมมาสังกปะกะสัมมาทิฏฐิ ท, ท, ที่จริงอาจจะถือเป็นสัมมาญาณโดยสัมไปนะะหรือความรู้ในทางที่ชอบกับความคิดในทางที่ชอบ ถ้าไม่ดีก็เป็นมิจฉาสังกัปปะอีกด้านหนึ่งก็กลายเป็นอวิชชาไปในประเด็นตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าศึกษาก็คือว่าทำยังไงจะมองสิ่งทั้งหลายที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยอย่างเข้ารู้แจ้งแทงตลอดทุกแง่ทุกมุมของสิ่งเดียดนั้นแล้วต้องพิจารณาเลือกเลือกเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์มากที่สุด กูดมากที่สุดํานวยความสะดวกไวมากที่สุดเพราะว่าตามปกติแล้วเหมือนกับเราเดินทั้งทางสองแพร่งเนี่ยมันไม่มีทางอ่ะเราเลือกได้ทางเดียวเท่านั้นเองถ้าไปขวาก็ไม่ได้ไปซ้ายถ้าเลือกซ้ายก็ไม่ได้ไปขวาเพราะชีวิตระหว่างกุศลกับอกุศลเนี่ยดูคล้ายๆจะใกล้กันนะฮะแต่บ้านไกลกันพระพุทธเจ้าทรงอุปมาว่าไกลเหมือนกับน้ํากับฟ้าเหมือนฝั่งนี้กับฝั่งโน้นของมาเสมอ มันไม่มีจุดบรรจบกันก็แสดงว่าถ้าเราเดินไปบนเส้นทางกุศลก็ชื่อว่าไม่เดินไปบนเส้นทางอากุศลแต่นั้นที่เราพูดว่าละบาปบําเพ็ญบุญอะที่จริงละบาปอะก็คือบําเพ็ญบุญและระดับหนึ่งบําเพ็ญบุญก็คือละบาปและระดับหนึ่งมันเป็นปัจจัยอาศัยซึ่งกันและกัน แล้วแต่จะเริ่มในการละบาปหรือเริ่มในการมาเป็นบุญเพราะว่าบุญที่เราบําเพ็ญน่ะมันจะทำหน้าที่ล้างละบาปให้เราทีนี้การที่เราละบาปเนี่ยแสดงว่าต่อบุณเนี่ยแหละมาละบาปมันเป็นนา ม, มาทํากับนา ม, มาทําสมมุติเรจะล้างความโกรธเดี๋ยมันก็ต้องใช้เมตตาใช้เมตตาใช้อดทนใช้ให้การให้อภัยจึงจะไปละเมตตาได้จึงจะไปล้างความโกรธได้ แต่โดยเฉพาะถ้าเมตตามันเป็นฐานเป็นหลักให้แก่จิตนี่เราก็สามารถจเจริญเมตตาได้กว้างขวางออกไปในช่วงที่กำลังมีงานอยู่ที่ท้องสนามรวมเนี่ยท่านสาธุชนสามารถจะเข้าไปแสวงหาความรู้บำเพ็ญบุญกุศลในด้านต่างๆเป็นนันมาก ในทศกาลปีนี้จะเข้าไปค่อนข้างจะไฮเทคอยู่หน่อยแม้จะไม่มากนะฮะเพราะว่ากรมชีวะจะเป็นแกนหลักลโลกรมชีวะนั้นจะให้ความสนใจในกิจกรรมของศูนย์ที่นําโยชนเข้าไขา่เด็กชีวะที่จริงเป็นเด็กที่ค่อนข้างมีปัญหามากนะตอนนี้เห็นหมฮะว่า ผู้บริหารนั้นให้ความสำคัญแก่การฝึกปลืออบรมเด็กเยาวชนนาเข้าใข่ค่อยๆแก้ค่อยคิดค่ อ, ค อ, คอยๆทากันแล้วก็เด็กเหล่านั้นบางคนพอแกเลิกเสพติดเลิกอะไรตต่ไรเนี่ยมาทุ่มเทช่วยงานประถาสนณากันเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีแต่ถ้าเราไปในสถานที่นั้นนอกจากเป็นเรื่องของการบูญการสุขส่วนเรื่องวิชาการต่า ง, า ง, า ง, างเรื่องนิทรศการเรื่อง ตัหมู่บูชาเรื่องอภิปรายเรื่องถกถามอะไรนะคือคือคือเยอะนะฮะแต่ว่าเราไม่บุหว่วาหรอกงานอย่างนี้ไปทํำบุหวาไม่ได้งานวิสาข บ, บูชามางข บ, บูชาสันห บ, บูชาไปทํำบุหวาไม่ได้มี ด, น ต, ดนตรีอะไรแต่ออไรไม่ได้แต่เป็นการแสดงในลักษณะที่สืบสารขนบธรำมียมประเพณีของเยาวชนเนี่ย มันก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ประกวดเพื่อให้ตัวฝังนิ ส, สัยของเยาวชนให้นิยมไทยมากยิงขึ้นวันก็ขอเชิญชวนผูธบริษัททั้งหลายได้ไปร่วมกิจกรรมหรือว่าจะไม่ไปก็ขอให้นึกถึงสี่ห้านึกถึงการงดเว้นจากอบายมกุกนึกถึงการพย า, พ า, าพยามสัมผัสพระพุทธคุณไว้ให้มากข่าวและพยายามสัมผัสเอได้เพิ่มขึ้น ก็จะเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองต้องฟังท่าไหร่ใต้ลมประโพธิยานในตอนพิเศษเนะก็ ข, ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีแต่ท่านสาธุชนทั้งหลายดยทั่วกันทุกท่านเทิน